สันนิวิดิวครอบกรัวข่าวสทรอเอฟเอกาพิจารณพระมหาภัยบุญอาภีปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตัมบูฟังเรามาพบกันโดยนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยกันให้ทราบโดยในวันพฤหัสและ ว, วันศุกร์นั้นก็มาพบกับตัมบูฟังพร้อมกับคุณสันสนีเป็นผู้ที่ร่วมดําเนินรายการด้วยก็จะคุยเรื่องราวของ คณสังคมบ้านเมืองเรื่องราวใดๆที่เราจะนําธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ส่วนในวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นมาพบกับข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนอาจจะนําเรื่องราวจากพระสูตรบ้างจากนิทานต่างๆที่เป็นประเด็ทางคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อธิบายคําสอนของพุทธะเอาไว้นําำมาตะมุฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ก็เป็นการที่จะนําเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบท มายทั้งบูฟังฟังซึ่งนิทานเหล่านี้เป็นเรื่องที่อธิบายพุทธพศไว้แต่เราจะได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นคาถาเป็นพุทธศาสนสุภาษิตแต่ทั้งบูฟังอาจจะมีอยู่ที่บ้านด้วยซ้ําแต่บางทีบางครั้งฟังข่าวหรือว่าได้ฟังที่ไหนมีพุทธศาสนสุภาษิตอาจจะเป็นคําที่เป็นร้ายแก้วหรือเป็นร้ายกลองบางทีเขาก็พูดภาษาบาลีด้วยแต่ไอ้คาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาจากอะไร และซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนอยู่ในการเรียนการสอนภาษาบาลีในระดับเรียนธรรมชั้นที่ 1, 2และ3ประโยคแต่ที่ข้าพาเจ้านี่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่คิดว่าถ้ามาเล่าแบ่งปันบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในแนวทางคาสอนของพระพุทธเจ้าและวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเป็นเรื่องราวของเทวดา คนหนึ่งที่ชื่อว่าเท้าสักกะเทวราชแต่ถ้าท่านผู้ฟังอาจจะเคยผ่านในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีสะพานอรุณอมรินหรือว่าสี่แยกอรุณอมรินแต่ซึ่งชื่อว่าอรุณอมรินเนี่ยเป็นชื่อของเท้าสักกะเทวราชนั่นเองเป็นชื่อเต็มๆเลยชื่อจริงเลย่เท้าอรุณอมรินตรราธิราชแต่ท่านผู้ฟังบางทีก็มีชื่อเล่นใช่ไหมมีชื่อจริงแต่ชื่อจริงของเท้าสักะก็คือชื่อนี้ แเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพระอินทนั่นเองแต่พระอินทที่เป็นตัวเขียวๆนี่แหละแตที่เราเรียกกันว่าเท้าส ก, กา บ, บ้างเท้าอรุณอมรินบ้างแต่สะพานมัขวานอย่างนี้นั่นก็ชื่อของเท้าสัง ก, กาเหมือนกันที่มีหลายชื่อนั้นในนิทานนี้ก็จะบอกเอาไว้ว่าทําไมถึงมีหลายชื่อแต่และชื่อมีความหมายว่าอย่างไรแล้วที่สําคัญก็คือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้บุคคลสักบุคคลหนึ่งมาเกิดเป็นเท้าสกะเดวราดได้ ในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุและมีเหตุปัจจัยทั้งสิน้นคนเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงก็ตามเราก็ด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ทำเอาไว้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรม7ประการเรียกว่าวัตถบท7จแต่วัตถบท7นั้นเป็นธรรมะที่มนุษย์เนี่ยได้ทําทำเอาไว้สั่งสมไว้แล้วก็จึงเกิดเป็นเท้าส ก, กะเทวราชอยู่ในสวรรค์พบที่เรียกว่าในชั้นดาวดึง และซึงผู้ที่ไปเกิดร่วมกันก็มีอยู่ทั้งหมด33คนแล้จึงชื่อว่าตาวะติงสะตาวะติงสะก็คือว่าเทวดาชั้นที่มีผู้ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้วยกัน33าคนทำไมเป็น33คนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นหมู่พวกของเท้าสักกะนั่นแหละตอนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้สร้างสมาำความดีด้วยกันมาเวลาตายไปแล้วไปเกิดก็ไปเกิดร่วมกันในในสวรรค์ชั้นที่เป็นดาวดึง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรทั้งบฟังในวันนี้จะให้ฟังตอนแรกให้พูดถึงตอนที่สมัยเท้าสกฤตเทวราชนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทําความดีความงามอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้เท้ามหาลีลซึ่งมหาลีเนี่ยเป็นเจ้าลิชวีคนหนึ่งและซึ่งในยุคสมัยพุทธกาลนั้นก็จะมีแคว้นที่ปกครองกันอยู่หลายแคว้นมีแคว้นโกศลบ้างมีแคว้นมคศบ้างแล้วก็มีแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่ง ที่ปกครองโดยเหล่าเจ้าลิชวีและมหาลี่นี่ก็เป็นเชื้อสายในบรรดาเจ้าลิชวีนั้นในเ ร, เรื่องของเท้าสกะเทวราชในบุพกรรมเป็นอย่างไรเราลองมาฟังกันดูเรื่องของเท้าสักกะพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่นะากูตาคารศาลาทรงปราบรารเท้าสกเทวราช ตรัพรธะธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาเทนะมัคควาเทวานังเศธตังะโตอัปปมาทังประสังสันติหินตวายาติสุมเมตโสกว่าว่าเท้ามัคควาถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมฉันเฉิมความไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อความพิสดารว่าเจ้าฤชวีนามว่ามหาลิประทับอยู่ในกรุงเวสาลีพระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกะบัญหาสูตรของพระตถาคตแล้วทรงดำริว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติ ของเท้าส ก, ก่าไว้มากมายพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสหรือไม่ทรงเห็นแล้วจึงตรัสเนอทรงรู้จากเท้าส ก, ก่าหรือไม่หนอเราจะทูลถามพระองค์ครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีนาม่ามหาริจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพรั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคม ประทับนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำ น, นี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พ ร, รกกะองค์ผู้เจริญท้าวสังกะผู้จอมแห่งเทพทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามหาลิท้าวสัง ก, กะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายอัตมภาพเห็นแล้วแหละแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าสักกานั้นจะเป็นเท้าสักกรปลอมเป็นแน่เพราะว่าเท้าสักกผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระชก้ามหาลิอัตมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสักกทั้งธรรมะ ที่ทำไม่เป็นเท้าสักกะก่อเท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะเพราะสมาทานธรรมะเหล่าใดอัตมาภาพก็รู้จักธรรมะเหล่านั้นแหลมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมานุชื่อมะค ะ, ะเปรตนั้นเขาจึงเรียกว่า เท้ามัความหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนเขาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าปุรินท่าทมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุ น, นั้น เขาจึงเรียกว่าท้าสักกะมาลีเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้า ว, วาสวะมาลีเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดำริข้อความตั้งพัน ได้โดยกรู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าซาดสักกะมารินางอุสรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระประชามดีของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าท้าวสุชัมบดีมาริท้าวสักกะ ถึงความเป็นเท้าส ก, กะแล้วเพราะได้สมาทานวัตบวตบทเจอันใดวัตตบทเจนั้นได้เป็นอันเท้าส ก, กะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ในการกร่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้ววัตตบท7ประการเป็นอย่างไรเล่าคือหนึ่งพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดา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 พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตถ้าความโกรธพึง เ, เกิดขึ้นแก่เราใช้เราพึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียวมาลิเท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะเพราะได้สมาทานวัตตบทเจอันใดวัตตบทเจนั้นได้เป็นของอันเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ันเป็นมนุษย์ในการกรสมาทานให้บริบูรณ์แล้วดังนี้แหละครั้นตรัสพุทธภาษีนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาที่มาในสังยุตตานิกายว่าด้วยเทพจันดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล กล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและวาจาส่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์คมความโกรธได้นั้นแล้ ว, ว่าเป็นสับบุรุษพระผู้มีพระภาเจ้าได้ตรัสต่อไปว่ามหาลิกรรมนี้เท้าสักกะทำไว้ในกล่าวเป็นมขคมานบดังนี้แล้ว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 ให้เป็นรามณียสถานแล้วพักอยู่คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานําออกมาจากที่นั้นแล้วพักอยู่ในนั้นเสยเองเขาก็ไม่โกรธแม้ต่อกคนนั้นได้กระทําที่อื่นให้เป็นรามณียสถานแล้วก็พักอยู่บุรุษทั้งหลายที่ออกไปแล้วออกไปแล้วจากเรือนก็เอาแขนผลักเขา นำออกจากสถานที่ที่เขาชำระแล้วชำระแล้วด้วยประการชนนี้เขาคิดเสียว่าจนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับสุขแล้วกรรมนี้ปึ่งเป็นบุญกรรมที่ให้ความสุขแก่เราเห่านี้แล้ววันรุ่งขึ้นจึงถือเอาจอบไปทำที่เท่ามนทนแห่งลานให้เป็นระมณียสถานแล้ว วงจนได้ไปพักอยู่ในที่นั้นนั่นแหละครั้นในฤดูหนาวเขาได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นในฤดูร้อนได้ให้น้ำต่อมาเขาคิดว่าชื่อรามณียสถานเป็นที่รักของคนทั้งปวงชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใครใครไม่มีจำเดิมแต่นี้ไปเราควรเที่ยวทำ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 แม้คนอื่นๆอีกก็ได้ทำอย่างนั้นรวมคนทั้งหมดจึงเป็นสาสามคนด้วยประการชนช น, นั้นแม้ทั้งหมดถือวัตถุมีจอบเป็นต้นกระทําผลทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณหนึ่งโยน์และสองโยน์นายบ้านเห็นชายเหล่านั้นแล้วคิดว่ามนุษย์เหล่านี้ ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบแม้ถ้าชนเหล่านี้พึงนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากปลาหรือทำสุราแล้วดื่มหรือทำคำเช่นนั้นอย่างอื่นเราพึงได้ส่วนอะไรอะไรบ้างลำดับนั้นนายบ้านคือผู้ใหญ่บ้านจึงให้เรียกพวกนั้นมาแล้วถามว่า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 แม้ถูกเขาว่ากล่าวซ้ำๆอยู่ก็คงคัดค้านร่ำไปนายบ้านนั้นโกรธแล้วคิดว่าเราจะกำจัดพวกมันให้หายนะจึงไปยังสำนักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นพวกโจรเที่ยวไปด้วยการคุมกันเป็นพวกพวกพระชาคา้าพระราชาตรัสถามว่าเธอจงไป จงจับพวกมันแล้วนํามานายบ้านนั้นจึงได้ทำตามรับสั่งแล้วจับบรุษ33าคนนั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาไม่ได้ทรงไต่สวนทรงบังคับว่าพวกท่านจงให้ช้างเหยียบมะคะมานบได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่าสหายเอย๋ยเว้นเมตตาเสีย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 แอ่งเมตตาของชนเหล่านั้นพระราชาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าสงสัยช้างมันเห็นคนมากจึงไม่อาจเหยียบได้ท่านทั้งหลายจงไปจงเอาเสือลำแพนคลุมเสียแล้วจึงให้มันเหยียบชนทั้งหลายจึงเอาเสื่อลำแพนคลุมชนเหล่านั้นแล้วใส่ช้างเข้าไปเหยียบช้างก็ถอยกลับไปเสีย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 นายบ้านักนำพวกข้าพระองค์ในการทำอกุศลประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของตนหายยนะโกรธแล้วจึงกราบทูลอย่างนั้นที่นั่นพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วเป็นผู้ถึงความโสมนัสตรัสว่าพาอทั้งหลายสัตว์ดีรชานนี้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 แกชนเหล่านั้นพวกเขาพูดกันว่าพวกเราเห็นอนิสงแห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีเดียวต่างมีใจป่องใสโดยประมาณยิ่งพลัดบาระกันขึ้นช้างนั้นเดินทางไปอยู่ปรึกษากันว่าก็บันนี้พวกเราควรทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปต่างไต่ถามกันและกันว่า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 รันช่างไม้สร้างศาลาเสร็จแล้วในวันยกช่อฟ้าจึงกล่าวกับชนสาบคนนั้นว่านายไดยจริงข้าพระเจ้านึกกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งไม่ได้พวกมังคะผู้เจริญกิจชื่อว่าอะไรนายช่างช่อฟ้านั่นเองพวกมังคะช่างเถิดผู้เราจะนำช่อฟ้านั้นมาเองนายช่าง ข้าพเจ้าไม่อาจทำด้วยไม้ที่ตัดเดี่ยวนี้ได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ตัดถากสลักแล้วเก็บไว้ในก่อนนั่นแหละจึงจะใช้ได้พวกมางคะก็เดี๋ยวนี้พวกเราควรทำอย่างไรเล่าในช่างถ้าในเรือนของใครๆมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายซึ่งเขาทำเสร็จแล้วแล้วเก็บไวไ้ใช้ควรสแสวงหาช่อฟ้านั้น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 สร้างศาลาให้สําเร็จแล้วแบ่งเป็นสมส่วนคือในส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่สําหรับอยู่ของพวกอิสระชนในส่วนหนึ่งสำหรับคนเขียนใจในส่วนหนึ่งสำหรับคนไข่ชน33าคนให้ปูกระดาน33แผ่นแล้วให้สัญญาแก่ช้างบ้า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 ดันงนี้ช้างผู้รับมาแล้วมาแล้วนำไปสู่เรือนของเจ้าของกระดานนั่นเดียวในวันนั้นเจ้าของกระดานนั้นย่อมทากิจที่ควรทำแก่ผู้ที่ช้างนำไปนั้นนายมัคะปลูกต้นทองหลางต้นหนึ่งไว้ไม่สู้ห่างจากศาลา แล้วปูแผ่นศิลาไว้ที่ขนต้นทองหลางนั้นพวกที่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสู่ศาลาและดูช่อบฟ้าอ่านหนังสือแล้วย่อมพูดกันว่าศาลาชื่อสุธรร ม, มาชื่อของชนสาสามคนย่อมไม่ปรากฏนางสุนันทาก็คิดว่าพวกนี้เมื่อทำศาลา ทำพวกเราไม่ให้มีส่วนบุญด้วยแต่นางสุธรรมมาก็ทําช่อฟ้าเข้าร่วมส่วนจนได้เพราะตนเป็นคนฉลาดเราก็ควรจะทําอะไรอะไรบ้างเราจะทําอะไรเนาะแลในทันใดนั้นนางก็ได้มีความคิดว่าพวกที่มาสู่ศาลาควรจะได้น้ํากินและน้ําอาบเราจะให้เขากุดสะโบกกรณี นางจึงให้เขาสร้างสระโบกกรณีแล้วส่วนนางสุจิตราคิดว่าก็นางสุธรรมาได้ให้ช่อฟ้านางสุนันทาได้ให้สระโบกกรณีเราก็ควรให้สร้างอะไรอะไรบ้างเราจะทําอะไรน้อแลที่นั้นนางได้มีความคิดอย่างนี้ว่า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 ให้ผ่านพ้นไปแล้วตอนมคคะมานบบำมเพนวัตตบท7ประการฝ่ายนายมคคะบำมเพนวัตตบท7ประการเหล่านี้กคือ 1. บำรุงมานดาบิดา 2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เริญในตระกูล 3. พูดคำสัตย์ 4. ไม่พูดคำยาบ 5. าไม่พูดส่อเสียด 6. ก, กำจัดความตรณีและ 7. ไม่โกรธเราถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่าตววเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไปรักอ่อนหวาน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 ท้าวสะก่าทรงดั่มฤิว่าพวกเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นราชาอันทั่วไปด้วยกับเจ้าพวกนี้ทรงนั้นหมายแก่บริษัทของพระองค์แล้วให้ช่วยกันจับอสูรเหล่านั้นที่ท้าทั้งสองแล้วเหวี่ยงลงไปในมหาสมุทรอสูรเหล่านั้นมีศีสับปักดิ่งตกลงไปในสมุทรแล้วขณะนั้น อาศุลวิมานได้เกิดที่พื้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุโดยอนุภาพแห่งบุญของพวกเขาต้นไม้ชื่อจิตตาปาลิคือไม้แค่ฝอยก็เกิดแล้วที่นั่นเมื่อพวกอาศุลปราชัยแล้วในสงครามระหว่างเทวดาและอาศุลชื่อว่าเทพนครในชั้นดาวดึงประมาณหมื่นโย์ ได้เกิดขึ้นแล้วและนี้ก็คือเรื่องราวของเท้าสักกะแต่ที่เป็นมาเป็นไปเกิดมาเป็นเทวดาแต่ในตอนแรกนี้ให้ฟังตอนที่ได้ทําบุปกรรมในสมัยมนุษย์หมาเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งในวัตถบท7ที่พูดถึงเรื่องของความที่ไม่โกรธแล้วเราลองดูตอนที่มานพบคนนี้่เขาถูกแย่งที่ดินที่ตัวเองบริเวณที่ตัวเองไปทํำให้ทางเอาไว้กุดไว้เรียบร้อย นะ้ำปลาให้หนีไปฉันจะเอาที่นี้แล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ไปทําที่ใหม่ต่อไปนั้นะแล้วตรงนี้เป็นคุณธรรมที่ดีมากนั่นแปลว่ามีความอดทนอยู่มีความอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากแลนะนี่เป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องแันะ่ทําความดีก็ยังชักชวนคนอื่นมาในการทําความดีแล้วพอหลังจากที่ตายไปแล้วนจากความเป็นมนุษย์ใดไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยซึ่งตรงนั้นมันมีคนอยู่ก่อนแล้วแั่ซึ่งพวกนั้นเป็นพวกมารที่เขาจะกินเหล้ากินอะไรกัน เท้าสักกานั้นก็ไม่กินเหล้าแล้วก็เลยขับพวกนี้ออกจากสวรรค์นันนั้นไปแล้วทำให้สวรรค์นในชั้นดาวดึงเนี่ยมีส่วนที่เป็นมารคืออสูรแล้วก็มีส่วนที่เป็นเทวดาแต่ซึ่งในสวรรค์ทั้งหชั้นจะมีอยู่แค่ชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้นมารนรดีเท่านั้นและที่มี2 ส, ส่วนที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน ใ, นในเรื่องของเท้าสักการ์นี่ทั้งบูฟังเอ่อเป็นตำแหน่งด้วยนั่ืเนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ใครมีคุณธรรมเหล่านี้เหล่านี้ คุณก็จะมาครองตำแหน่งนี้ได้แต่คนที่จะมาครองตำแหน่งพระบุตรเจ้าได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ชนิดที่ไม่มีใครยิ่งกว่าคนที่จะมาครองตำแหน่งเท้าอรุณอมรินได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีวัตถบทเจ็ดแต่พวกนี้เรามาฟังกันต่อที่หมู่ฟังว่าเท้าสกะเทโราชที่เรารู้จักกันในชื่อของพระอินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนไทยรู้จักตรงนี้เท่านั้นแม้แต่คนจีนเขาสร้างหนังสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาถ้าเราเคยได้ยินชื่อของเง็กเซียนฮ่องเต้นั่นก็คือเท้าสกะเทวราชเหมือนกัน หรือว่าในหนังฝรั่งในงเป็นหนังฮอลลีวูดที่ชื่อว่า Thor Thor เทพเจ้าสายฟ้าที่มีค้อนเป็นอาวุธนี่พ่อของ t อ o r ในตำมุ่งหวังก็คือเท้าส ก, กัดเทว ร, ราตนี่แหละพ่อของ Thor ชื่อโอดินแต่ตำมุวังเคยดูหนังเรื่อง Thor หรือว่าเรื่องเอเวนเจอร์เนี่ยจะมีนักรบที่เป็นเทพเจ้าคนหนึ่งที่ถือค้อนใช้ค้อนเป็นอาวุธและกล้ามเป็นมัดๆพ่อของ Thor เนี่ยก็คือเทเ้าส ก, กะเทว ร, ราตนี่นั่นเอง ความเป็นอยู่ในชั้นเทวดาเป็นอย่างไรเราจะมาฟังตอนต่อกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาอธิบายถึงความเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงทำให้เราทราบว่านั่นก็คือเง็กเซียนท่องเต้ทำให้เราทราบว่านั่นก็คือพ่อของต่อในหนังจีนแล้วก็ในหนังฝรัง่งแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก้าประชาพระมาไพบุณอภิปุนโนจเจริญปถา